สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เจ็ดสิบแปดเรื่องคนฉลาดพระเจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้ดําเนินมาอยู่ในอยู่จนถึงบทที่สิบสี่ของสุภาษิตแล้วนะครับสุภาษิตในวันนี้อยู่ในบทที่สิบสี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า ปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้นแต่ความโง่รื้อมันลงด้วยมือตอนเองบุคคลผู้ดำเนินในความเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าแต่บุคคลที่คดเคี้ยวในทางของเขาก็ดูหมิ่นพระองค์ในป่ากของคนโง่มีไม้เรียวสำหรับหลังของเขาแต่ริมฝีปากของปราดจะสงวนเขาไว้ที่ไหนที่ไม่มีวัวผู้ที่นั่นไม่มีข้าวแต่พืชผล บุดมได้มาด้วยแรงวัวพยายนที่ชื่อสัตว์ไม่มุสาแต่พยายนเท็จหายใจคํามุสาออกมาคนมักย่อเย้ยแสแหวงปัญญาเสียเปล่าแต่ความรู้นั้นก็ง่ายแก่คนที่มีความเข้าใจจงไปให้พ้นหน้าคนโง่เพราะที่นั่นเจ้าไม่พบถ้อยคําแห่งความรู้ปัญญาของคนอย่างรู้คือการเข้าใจทางของเขาแต่ความโง่ของคนโง่ เป็นที่หลอกลวงพระเจ้าทรงย่อเย้ยคนชั่วร้ายแต่คนเที่ยงธรรมชื่นบานในความโปรดปรานของพระองค์จิตใจรู้ความขมขื่นของใจเองและไม่มีใครอื่นมาเข้าส่วนความชื่นบานของมันดันั้นครับหัวข้อในวันนี้จะขอใช้คำว่าคนฉลาดในข้อหนึ่งนั้นคนฉลาด เขาจะมีชีวิตที่น่าสนใจเพราะว่าในชีวิตของเขานั้นมีการจัดการที่ฉลาดมีความประพฤติ ท, ที่ฉลาดก็คือความยอมเกรงพระเจ้าหรือแม้กระทั่งมีความเงียบที่ฉลาดก็คือเขารู้จังหวะว่าเมื่อไรควรจะพูดและเมื่อไรควรจะหยุดพูดคนมีปัญญานั้นเขามีเสน่ห์ครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะดึงความสนใจ ของคนอื่นทำให้คนอื่นนั้นจะดูชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างครับชีวิตของคนมีปัญญานั้นเขาสามารถดูแลรักษาทำของที่มีอยู่นั้นให้เจริญรุ่งเรืองเปรียบเสมือนกับแม่บ้านที่คอยดูแลบ้านเรือนบ้านเมืองของตนในทางกลับกันครับผู้หญิงโง่ก็ปล่อยประละเลยบ้านเมืองของตนและบ้านเรือนของตน แม่บ้านที่ฉลาดก็รักษาบ้านเรือนของตนไม่ได้แม้ว่าสามีเธอจะต้องตายไปก่อนหรือสามีบางคนละเลยหน้าที่ของเขาแต่แม่บ้านที่ฉลาดครับสามารถรักษาบ้านเรือนของตนไม่ได้ในขณะที่แม่บ้านที่ไม่ฉลาดแม่บ้านที่ไม่มีความเข้าใจหรือแม่บ้านที่ไม่ดีแม่บ้านงโง่หรือไม่รู้ว่าการทรงเรียกของเธอนั้นคืออะไรแม้จะมีพ่อบ้านที่ดีขนาดไหน ก็ไม่อาจชุดรังความหายันตของครอบครัวได้เพราะฉะนั้นในบ้านในครอบครัวในบ้านเรือนนะครับต้องมีแม่บ้านที่ดีต้องมีภรรยาต้องมีคุณแม่ที่ดีครอบครัวถึงจะไปได้เพราะว่าในครอบครัวนั้น Key person หรือคนที่มีความสำคัญมากเลยคือคุณแม่หรือสุภาพสตรีนั่นเองข้อสองครับ การดำเนินชีวิตของคนฉลาดเขาจะดำเนินอยู่ในความเที่ยงธรรมและการดำเนินชีวิตที่ฉลาดในความเที่ยงธรรมนั้นพิสูจน์ว่าคนคนนั้นถูกต้องครับคนคนนั้นกำลังเดินอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าจริงๆหรือเปล่านี่แหละครับถ้าเขาเดินอยู่ในความเที่ยงธรรมนะครับความเที่ยงธรรมนั้นก็จะพิสูจน์ทางเดินของเขาและในที่สุดเขาจะไปหาพระเจ้าและพบกับพระเจ้าได้ บุคคลที่ยำเกรงพระเจ้านั้นเขาจะแสดงออกถึงความเที่ยงธรรมครับและความสัตย์ซื่อรับผิดชอบในหน้าที่การงานรับผิดชอบในสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบแต่นี่เป็นท่าทีที่เขาจะต้องมีเป็นท่าทีของเขาต่อพระเจ้าหากการกระทาของเขาไม่เที่ยงตรงก็เท่ากับคนคนนั้นกำลังดูหมิ่นพระเจ้าครับพี่น้องครับการกระทาของใครที่ไม่เที่ยงตรง ก็เท่ากับว่าคนคนนั้นกําลังดูหมิ่นพระเจ้าการเข้าใจเรื่องความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่เป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่างสม่ําเสมอที่เกิดจากท่าทีทัศนคติและลักษณะนิจัยประจําตัวของคนฉลาดพี่น้องครับคนที่มีสติปัญญาคนที่ฉลาดนั้นเขาจะรู้จักการดําเนินชีวิตที่เกิดขึ้นจากภายในครับ เป็น inside out นะครับคือเกิดจากท่าทีทัศนคติลักษณะนิสัยประจำตัวไม่ใช่เป็นการเฟซหรือการใส่หน้ากากเข้าหากันข้อสามครับเราจะพบว่าบ่อยครั้งแล้วคนโง่นั้นเขาใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดการผูกมัดตัวเองเป็นกับดักของตัวเองทำให้เขาต้องทนทุกข์ ในขณะที่ถ้อยคําของคนฉลาดก็จะไม่ก่อกความเสียหายแบบนี้เพราะว่าคาถ้อยคําของคนฉลาดนั้นจะสงวนเขาไว้จากการลงโทษการพูดนะครับด้วยถ้อยคําที่เฉลียวฉลาดการพูดด้วยท่าทีในใจที่ดีความจริงใจก็จะสงวนชีวิตของคนพูดไว้ทำให้คนเกิดความเข้าใจและทำให้เราได้รับ ความยกย่องคนฉลาดข้อสี่ครับรู้ว่าการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆนั้นต้องลงทุนลงแรงลงเวลาและลงเงินทองสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นต้นทุนนั้นก็คือวัวครับในข้อสี่บอกว่าวัวที่แข็งแรงนั้นก็สามารถที่จะทำให้เกิดข้าวนะครับจุ้งฉางจะเต็มพืชผลจะอุ ด, ดม ที่ไหนที่ไม่มีวัวผู้ที่นั้นไม่มีข้าวแต่พืชผลอุดมได้มาด้วยแรงวัววัวที่แข็งแรงนั้นเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้ชาวนาซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นต้นทุนที่มีคุณค่าเพื่อจะนำมาซึ่งกาไรและประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนพี่น้องครับวัวก็หมายถึงของประทานจากพระเจ้าที่ให้กับเราคาถามของผมในวันนี้ก็คือของประทานของพวกเราคืออะไรครับ เมื่อเรารู้ว่าของประทานของเราคืออะไรที่พระเจ้าให้กับเรานั้นก็จงใช้เวลาพัฒนาของประทานของเราเพื่อที่จะเกิดประโยชน์และกําไรในชีวิตของเราและใ น, ในแผ่น ด, ดินของพระเจ้าด้วยเป็นการขยายแผ่น ด, ดินของพระเจ้าด้วยใช้ของประทานของเราเพื่อที่จะให้เครื่องจักรของพระเจ้าจเจริญขึ้นให้พระกายของพระองค์ได้พัฒนาขึ้นนั่นหมายถึงมวนสมาชิกข้อห้าครับ เราเ็นความแตกต่างระหว่างความการเป็นพยานที่พูดจริงและการเป็นพยานเท็จที่พูดมุสาการเป็นพยานเท็จในศาลนั้นก็จะถูกประนามครับแต่ใครก็ตามที่พูดความจริงเขาจะเป็นพยานที่สัดยซื่อซึ่งจะนำมาถึงความถูกต้องความยุติธรรมและนำมาซึ่งพระพรไม่เพียงแต่ตกอยู่กับตัวเองเท่านั้นก็จะตกอยู่กับคนอื่นด้วย พระพรนั้นสามารถที่จะแชร์ได้นะครับข้อที่หกครับเราจะพบว่าคนมักยอะเย้ยแสวงหาปัญญาเสียเปล่าแต่ความรู้ก็ง่ายแก่คนที่มีความเข้าใจคนมักยอ้อะเย้ยนั้นเป็นคนโง่ซึ่งปกติจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความถ่อมใจในการแสวงหาปัญญาคำแนะนำจากคนอื่นเขาไม่สนใจเรื่องความถ่อมใจนะครับที่จะหาปัญญาหาคาแนะนา ที่จะทำให้ตนเองเกิดการพัฒนาพี่น้องครับเป็นเรื่องไม่ปกตินะครับไม่ปกติเลยที่ว่าคนมักย้อะเยอยแสวงหาปัญญาเป็นเรื่องตลกครับแต่แม้ว่าเขาจะพยายามสแสวงหาปัญญาแค่ไหนก็ตามก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาจะเสียแรงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากท่าทีในใจของเขาทัศนคติซึ่งหล่อล้อมออกมาเป็นบุคลิกภาพอุปนิสัยของเขาก็จะเป็นอุปสรรค อุปสรรคต่อการได้มาซึ่งความเฉลียวฉลาดและปัญญาเพราะอะไรครับเพราะว่าคนมักเยอะเย้ยก็คือคนที่คิดว่าตัวเองเก่งครับคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะครับเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วเขารับน้ํามากขึ้นกว่านี้ไม่ได้แต่สําหรับคนที่มีความเข้าใจเขาจะถ่อมใจที่จะแสวงหาความรู้แสวงหาปัญญาและเขาจะพบกับความรู้และปัญญานั้นและชีวิตของเขานั้นจะได้รับการพัฒนาครับ ข้อเจ็ดถึงข้อที่เก้านะครับพี่น้องก็เกี่ยวข้องกับคนโง่มโซโลมอนแนะนําว่าคนฉลาดไม่ควรใช้เวลากับคนดื้อรั้นเพราะเขาจะไม่เชื่อคนดื้อรั้นนี่ถือว่าเป็นคนโง่แบบหนึ่งนะครับก็คือการไม่ถมใจการไม่รู้ว่าตัวเองโง่เขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับนําความรู้และคาแนะนําของเราไปใช่เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาในการสร้างสาวกในการสร้างคนนั้น เราจะต้องรู้จักเลือกคนครับคนอย่างรู้นั้นฉลาดและคิดอย่างรอบครอบเกี่ยวกับอนาคตจึงไม่ค่อยพลาดครับในการสร้างคนเขาจะได้คนขึ้นมาเขาจะได้คนที่เป็นผู้รับใช้ที่รู้จักพระเจ้ารักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าคนอย่างรู้ก็จะ i c k ั p คนที่เขาจะสอนได้แต่คนโง่นั้นมักคิดว่าทางของเขาถูกต้องเป็นการมนโนครับ ทำให้เป็นกับดักผูกมัดจับตัวเขเองเมื่อคนโง่ทําบาปเขาไม่คิดแก้ไขให้ถูกต้องปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชั่วของตนแต่คนที่ทํานั้นจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าครับเขาจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและจากมนุษย์ข้อสุดท้ายในวันนี้ในข้อที่สิบได้พูดถึงเรื่องของความเจ็บปวดของคนอื่นๆ น, นั้นก็จะเป็นของเขา ความชื่นบานก็เป็นเรื่องความส่วนตัวเป็นความรู้สึกส่วนตัวในจิตใจของคนคนนั้นมันแชร์กันยากครับการที่เราจะแชร์ความรู้สึกเป็นเรื่องยากแต่เราต้องพยายามเพราะอะไรครับเพราะว่าในคือสัจจ์นั้นเราเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์การที่เราจะมีความรู้สึกเหมือนๆกันได้มันเกิดจากการอธิษฐานเผื่อกันอย่างสม่ำเสมอครับเหมือนกับพ่อคกามีบอกว่าอวะหนึ่งเจ็ เอาไว้ว่าอื่นก็พลอยเจ็บด้วยพี่น้องครับการเป็นกายเดียวกันนั้นเกิดได้จากการอธิษฐานเผื่อกันการมีสามัคคีทำกันอย่างสม่ำเสมอการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละครับก็จะนำมาซึ่งการที่จะเราเป็นกายเดียวกันในประเยสุครทธิ์อ่า